ขออวยพรจะเริญนธรรมจะเริญนศีรษะเริญนสุขท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้มีการถ่ายทอดหลายรายการทั้งหลมิตติ้งเท่าที่ดูอยู่ในขณะนี้ก็สิบเจ็ด แล้วก็ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ทั้งเตจอาคารทำดีรุ่งโรจน์แล้วก็แชร์ลิงไปยังถุตธรรมมาคารครั้งนี้เป็นการอบรมอาณาปานสติสมาธิครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดก็อย่างที่เคยปรารกและที่เคยทำประชาธรมพันธ์ไว้ในเพจของ อาการทําดีรุ่งโรดว่าครั้งที่7จเอนี้เนื่องจากว่าเวลาน้อยเราก็จะพูดกันให้น้อยจะปฏิบัติกันให้มากในเวลาสองชั่วโมงกว่าแต่ทีนี้พอนั่งแล้วไม่จ่อปากมันก็ต้องพูดกันสักหน่อยแต่ก็ไม่จะพูดเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นๆนี่เราฟังกันมายี่บเจวันเต็มเตม วันละเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงในรายการธรรมะก่อนฉันเมื่อวานนี่เป็นครั้งที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้พักพรุ่งนี้ก็อาจจะต่ออีกอรายการธรรมะก่อนฉันนี่มันเป็นการพูดธรรมะทุกระดับชั้นมเงกันไม่หิมไม่เบื่อนะฮะวันนี้ก็เลยจะพูดเฉพาะเรื่องที่จาเป็นต้องพูด อันในชวงแรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราจะเดินจงกรมด้วยกันเลยแต่มาก็จะเดินด้วยท่านที่อยู่ในห้องไลมิทติ้งนี่ก็ห้องดูเฟซบุ๊กไลอยู่ก็เตรียมที่เดินไว้แล้วก็เปิดเสียงดังๆหน่อยไอ้ที่เดินเนี่ยไม่ควร ไม่ควรถือโทรศัพท์เสียบสายแล้วก็ใส่หูฟังนะเพราะว่ามันจะเจาะเกินไปทำให้สติในการเดินของเรามันควบคุมในกิริยาไม่ดีเราก็ให้เป็นเสียงที่ผ่านๆตั้งโทรศัพท์ไว้หรือตั้งคอมพิวเตอร์ไว้แล้วก็เปิดเสียงให้มันดังในระดับที่ได้ยินและสบาย เพราะว่าในช่วงที่เดินเนี่ยตมาก็จะมีบรรยายเป็นช่วงๆทีนี้ตอนไหนที่เสียงที่ตมาพูดมันเป็นสภาวะของเราคือเรากำลังอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเราก็น้อมก็ไปพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้และเราก็ปฏิบัติของเราต่อไปถ้าดูแล้วมันไม่ใช่สภาวะของเราคือว่า มันมันยังไม่ใช่จุดที่กาลังเกิดขึ้นจริงของเราในขณะนั้นเราก็รู้ในเรื่องการเดินจงกรมของเราต่อไปพอไปถึงจุดที่มันมีการพูดบรรยายถึงสภาวะตรงนั้นเช่นอัตมาเดินไปสุดแล้วไปหยุดอยู่ก่อนที่จะหมุนมีการพูดถึงตรงนั้น แต่เรานี่กกำลังเดินยังไม่ถึงจุดที่หยุดอยู่เราก็ยังไม่ต้องสนใจตรงนั้นแต่ว่าพอเราเดินไปถึงสุดที่จุดหยุดอยู่ก่อนที่จะหมุนตัวตมมาได้บรรยายว่าเราก็น้อมนำเรื่องนั้นเลยมา finish, พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติตรงนั้นอันนี้พูดได้ทำความเข้าใจว่ า, าให้ วางโทรศัพท์เปิดเสียงไว้ให้เสียงมันคลอในการเดินทีนี้เรื่องของการเดินจงกรมมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะบางครั้งบางคราวเรารู้สึกไปเองหรือไปตามกระแสในเรื่องของการเดินจงกรมมุ่งไปถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความคลังเรื่องอิทธิฤทธ เรื่องปฏิหารเรื่องเรื่องลึกลับแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยนะเราจะต้องเข้าใจว่าการเดินจงกรมคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรแล้วก็เอาทิศทางเอาแนวของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติมันจึงทำให้รู้ว่ามันง่ายมากมันเหมือนกับ เ, เรา เป็นคนทำสวนส้มในผู้ที่เ็ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำสวนส้มก็มีขั้นตอนอย่างไรเราไปเรียนเราไปรู้ไปฝึกไปฝนไปทำเป็นแล้วเราก็มาลงแปลงทําให้มันถูกต้องตามความรู้นั้นมันก็จะเป็นสวนส้มขึ้นมามันเป็นการเฉพาะของมันการเดินจงกรมนี้ก็เหมือนกัน การโดนจงกรมมันไม่ใช่ว่ามันเป็นการเดินเล่นเล่นเหมือนที่พูดกันแต่การโดนจงกรมเป็นการเดินจเจริญสติคำว่าจเจริญสติมันคืออะไรมันก็คือว่าพัฒนาสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นที่กายใจนี้แล้วว่ากายใจนี้มันใช้อย่างไรมันใช้อยู่ในอิริยบท ในอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเราจึงต้องมีสติทั้งยืนมีสติทั้งเดินมีสติทั้งนั่งมีสติทั้งนอนมีสติทั้งอิริยาบถเล็กๆ็กน้อยๆยเพรา ะ, ะนันเราพลาดไม่ได้ถ้าเมื่ออิริยาบถใดที่เราไม่มีสติอิริยาบถนั้นนะเราประมาททีนี้ในทางบาลีท่านมีสอนว่า ชีวิตร่างกายนี้มันเหมือนเครื่องยนต์เรียกว่าสรีระยันตังเครื่องยนต์คือสรีระมีล้อสี่ล้อก็คืออิริยาบถสี่คือยืนเดินนั่งนอนนี่แหละสี่ล้อในสี่ล้อนี้มันจะต้องมีสติและการเดินเนี่ยมันเป็นอิริยาบถหนึ่ง เครื่องยนต์ที่มีล้อสี่ล้อเนี่ยเวลาเราขับเคลื่อนไปขาดไปลอดใดล้อหนึ่งอ่ะมันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ดีแม้นว่าวิ่งได้มันก็ไม่ดีนะฮะหรือล้อที่ลมไม่สมบูรณ์ชักรอหนึ่งอีกสามล้อลมเต็มอีกสองอีกล้อหนึ่งอ่ะ ล, ลมมันอ่อนลมมันบางการวิ่งมันก็ไม่ดีเดี่ยวเอียงก็ได้เร่อ ย, อยู่อย่างนั้น ขับเคลื่อนมันไม่เกาะตะดนเรียกว่าเกาะตะดนไม่เหมือนกันมันต้องทำลมให้มันเท่ากันให้มันสมดุลกันอริยบทของเราก็เหมือนกันการเจริญสติการเดินมันจึงเป็นอริยบทที่จะต้องมีในการเจริญสติในบูราณนี่กุติพระกุติพระตามวัดต่างๆท่านจะต้องมีที่เดินถ้าไม่มีที่เดินเรียกว่า มันไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวนี้พอมาอยู่ในเมืองตึกมันใหญ่โตก็เลยจะต้องพระก็จะต้องจัดเอาเองว่าจะเดินตรงไหนมีตรงไหนให้เป็นที่เดินถ้าเราไม่เดินก็มนไม่สมดุลในอิริยาบททั้งสี่ของเราทีนี้ การเดินของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้การเดินจงกรมของเราถูกต้องตามแนวของพระพุทธเจ้านะต้องจำไว้ตรงนี้นะไม่ใช่ไปถูกต้องตามแนวของใครจะต้องถูกต้องตามแนวของพระพุทธเจ้าการที่เราจะรู้ว่าการเดินจงกรมถูกต้องตามแนวของพระพุทธเจ้านั้นเราจะรู้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านไม่ได้สอนมากมายท่านสอนเพียงแค่ว่าเดินก็รู้ว่าเดินย่างก้าวซ้ายก็รู้ก้าวขวาก้าวไปก็รู้ก้าวกลับก็รู้เดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนี่เราจะรู้อย่างไรเราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องผลของการเดินจงกรมอย่างไร แล้วเราก็เอาผลของการเดินจงกรมนั่นแหละมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูแนวว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรให้การเดินของเราเนี่ยถูกต้องตามแนวของพระพุทธเจ้าเราอาจจะไปอยู่ในสำนักต่างๆแต่ละสำนักท่านก็สอนไปคนละแบบคนละอย่างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ที่คนละแบบคนละอย่างนั้นส่วนมาก มันเป็นขั้นเตรียมการกับการจบส่วนตอนเดินนะ่ะมักจะคล้ายคายกันอ้ขั้นเตรียมการเนี่ยมันก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าเราดูว่าผลของการเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรผลของการเดินจงกรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้มีห้าประการนะหนึ่งเรียกว่าอัธานาคคำโบโหติหมายความว่า เป็นผู้ที่มีการเดินทางไกลได้ทนเป็นผู้ที่เดินทางไกลได้ทนสองปทานนัคโโบโหติเป็นผู้ที่ทำความเพียนทนเป็นผู้ที่มีความเพียนอดทนในทำความการทำความเพียนมีผลของการเดินสามอ ป, ปาบาโทโหติจะเป็นคนที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อย คือถ้ามันเดินได้เนี่ยมันป่วยอะไรมันก็ไม่หนักะนะอะปาบาโทโหติอปลว่ามีโรคน้อยคือตราบใดที่มันยังเดินได้เดินดีอะนะโรคมันก็น้อยถ้ามันเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยได้เนี่ยต้องพิจารณาแล้วะ ว, ว่าโรคมันเริ่มมากแล้วเนี่ยก็สามเนี่ยว่าอะปาบาโทโหติประการที่สี่ว่าข่าดิตัง ปีตังข้าดีตังปีตังซายิตังหมายความว่าอะไรซัมมาปารินามังคื อ, อโ้อตินี้ก็คือว่าย่อยดีจะเกิดการกินการเคี้ยวการลิ้มการดื่ม อาหารเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันเกิดการระบบย่อยดีให้ระบบย่อยดีเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากงั้นการเดินจงกรมเนี่ยที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันจะทำให้ระบบการย่อยดีให้สังเกตว่าสีอย่างนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพเป็นหลักสุขภาพได้จากสุขได้เป็นของสุขภาพไม่ว่าเดินทนทำความเพียรทนอาพาษโรคน้อย หรือแม้แต่ระบบการย่อยดีไอ้นี่เป็นได้กับสุขภาพสุขภาพกายแต่ว่าประการที่ห้าเนี่ยท่านว่ามสมาธิที่ไอจังกัมมาโตจังกัมมาธิจังกมัมมะจังกัมมาคโตสมาธิจิรัทิติโก โหติหมายความว่าสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่นานไอ้ข้อนี้นะข้อนี้แหละที่จะต้องไปพิจารณานะว่าให้มันอยู่ในแนวของพระพุทธเจ้าอย่างไรสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นสมาธิที่ตั้งแน่วแน่นานนานคืออะไรนานกว่าอิริยาบทอื่น นานกว่าอิริยาบทอื่นข้อนี้ถามว่ามันพอจะมีทางที่จะยกตัวอย่างให้พวกเราดูได้ไหมก็ก็ดูการคิดกันแล้วกันดูการคิดถ้าเรานอนคิดเรื่องอะไรต่างๆที่เรานอนคิดนั่งเอนๆคิดคิดปัญหาเดียวกัน มันคิดไม่ค่อยออกหรือแม้คิดออกแล้วโอเคแล้วแต่พอเราลุกขึ้นยืนแล้วเราไปเดินเดินเดินจึกไปจึกไปจึกไปมันทะลุกว่าในความคิดมันทะลุกว่าเออมันต้องยกเลิกความคิดตอนที่นั่งยกเลิกความคิดตอนที่นอนะมาใช้ความคิดตอนที่เดินเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพอเดินแล้วเนี่ยมันมันตั้งมั่นแน่แน่ดีกว่ามันตั้งมั่นแน่แน่ดีกว่าทีนี้มันตั้งอยู่นานกว่า มันตั้งมั่นอยู่นานกว่างั้นคนพัฒนาสติหรือจเจริญสติปัญญาถ้าไม่เดินส่วนมากมันจะจมคิดเอาแต่นั่งสมาธิเอาแต่นั่งอย่างเดียวเอาแต่ทําอิริยาบทอื่นอย่างเดียวเรียก ว, ว่าพัฒนาสติในที่สุดมันก็จมอยู่กับสัญญาเรียกว่าจมคิดเรียกว่าจมคิดมันไม่ตื่นมันจะต้องเดิน ทีนี้พอถ้าเราไม่เดินเลยเนี่ยอิริยาบถมันไม่เกิดการสมดุลไม่เกิดการสมดุลแน่ๆทีนี้ในข้อที่ว่าสมาธิที่ตั้งอยู่กับการเดินจงกรมนั้นเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่นานเนี่ยเป็นผลข้อที่ห้ามันจึงเป็นแนวที่จะให้เราปรับการเดินจงกรมของเราให้ไปตามแนวของพระพุทธเจ้าตรงเลยเนี่ยไม่ต้องไปฟังใครแต่ว่าเราเป็นคนมีหลายสำนักไง สายหลวงปู่หลวงพอ่อสายครูบาอาจารย์สายต่างๆเราจะเคารพในสายสำนักของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าการเคารพมันจะทําให้จิตของเรามันน้อมมันนุ่มแต่ต้องไม่ผิดจากพระพุทธเจ้านะและส่วนมากอย่างสายครูบาอาจารย์ใหญ่มั่นที่มีหลวงปู่หลวงพอ่อท่านสอนท่านสอนส่วนมากก็ขั้นเตรียมการคั้นเตรียมการว่า เป็นว่าให้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณว่าพุทธโธธรรมโบสังโฆไอ้นี่เป็นเรื่องดีมากเป็นเรื่องดีนะก่อนเดินยืนนะระลึกถึงพุทธโธธรรมโบสังโฆนี่ก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแถมเป็นเรื่องที่สนับสนุนทําให้การเดินจงกรมนั้นมันแน่วแน่ง่ายขึ้นเป็นขั้นเตรียมหรือท่านสอนว่าให้มือจับประสานไว้ข้างหน้า อย่าไว้ข้างหลังอันนี้คำถอนของท่านนะข อ, ของสานักต่างๆว่าบางสานักก็บอกวไว้ข้างหลังก็ได้ไว้ข้างหน้าก็ได้แต่บางสายบอกว่าไวา้ข้างหน้ามันไม่สุภาพมันเหมือนไม่เคารพเรียกว่าไอ้สายที่บอกว่าววา้ข้างหน้าเนี่ยให้มันมีความสำรวมมีความเคารพในพระตนนตรยัยเรียกว่าเดินเจริญสติอย่างเคารพอย่างสารวม ท่านเลยสอนให้เอามือไ่ายไว้ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะต้องไปคัดค้านว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่เอาไม่เอาไม่เอาพวกที่สอนนอกฤทธิอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เราน่ะจะกลายเป็นคนนอกฤทธิเสียเองนะจะเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไปทําลายของดีๆมันก็ไม่ถูกมันแยกแยะไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรถูกอะไรผิดอะไรผิดแยกแยะไม่ออกอะไรควรอะไรไม่ควรนะ เราก็ใช้ได้หมดนะแต่ว่ามันต้องไม่หลุดออกไปจากแนวของพระพุทธเจ้านะทีนี้ในการเดินนั้นอ่ะมันจะต้อง <c oughs> รู้ว่าตอนเดินอ่ะเราจะต้องทำตัวอย่างไรวางใจอย่างไรในการเดิน ถ้าเรานั่งอย่างเรารู้ลมหายใจเราก็มีสติระลึกตรงเข้าไปสู่ลมหายใจแล้วก็รู้ลมที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเนี่เวลาเราเดินก็เหมือนกันเราก็มีสติคือระลึกระลึกลงไปที่ไหนเราก็ระลึกลงไปที่กายทั้งกายเวลาการเดินมันจะมีอะไรมากมันมีระลึกกายทั้งกายที่มันยืนอยู่ก็ระลึก กายทั้งกายที่มันยืนอยู่มันหยุดอยู่กายทั้งกายที่มันหยุดอยู่กายทั้งกายที่มันยืนอยู่เวลาระลึกก็ระลึกตรงความเป็นจริงนะระลึกตรงความเป็นจริงกายทั้งกายกายทั้งกายกายทั้งกายไหนก็กายทั้งกายที่มันยืนอยู่นี่แหละเวลาเราระลึกอย่างไรก็เอาสติระลึกไปเบื้องบนตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงขวาเท้าไอ้เบื้องล่างเบื้องล่างก็หมายความว่าระลึกตั้งแต่ศีรษะ ลงไปลงไปลงไปลงไปลงไปลงไปลงไปจนถึงฝ่าเท้าไอร้ระลึกเข้าไปนั่นแนหะคือตัวสติไอ้ตัวที่รู้คลอลงไปตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงฝ่าเท้านั่นแนหะคือสัมปชัญญะและไอ้สิ่งที่ถูกระลึกคือกายนั่นแนะ่ะคือกายจริงๆเดียยวจะระลึกตรงเข้าไปสู่ความเป็นจริงของกายจากนั้นเราก็ระลึกขึ้นมาข้างบ น, ข, งบนข้างบนระลึกอย่างไร ก็ใช้สติระลึกไปที่ฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าให้ตัวสติมันรู้สึกได้จากนั้นก็รู้คลอขึ้นมาตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนถึงศีรษะหนังศีรษะข้างบนนี่เรียกว่ารู้ข้างบนรู้ข้างบนคือระลึกตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะรู้ข้างล่างก็ระลึกตั้งแต่ศีรษะรู้ไล่ลงไปจนถึงฝ่าเท้ารู้ขึ้นรู้ลงอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ารู้กายทั้งกายในขณะที่ยืนนะ จากนั้นก็รู้ยืนในอีริยาบถ ท, ที่ยืนออกายเนี่ยในอีริยาบถ ท, ที่ยืนเราก็ขยับขวานเท้าเห็นกายทั้งแท่งรู้กายทั้งแท่งที่มันตั้งตรงอยู่แล้วก็มีน้ําหนักกดทับที่ขวาเท้าเราก็ขยับขวาเท้าของเราให้มันรู้สึกได้นี่เรียกว่ายืนรู้ยืนจากนั้นมันมีกิจที่จะต้องทําอะไรอีกรู้รู้ในการเดินจงกรมเนี่ยต่อไปก็เตรียมที่จะเดินไปข้างหน้า การเตรียมจะเดินเนี่ยคือกายสังกายเนี่ยมันเคลื่อนมันเคลื่อนไปไหนมันเคลื่อนไปในวาโยธาต์คือข้างหน้าของเราจ้องเป็นวาโยธาต์ถ้าไม่ใช่วาโยธาต์มันไม่ได้มันเดินไม่ได้ถ้าเป็นปัทวีธาต์เป็นธาตุดินเดินไปก็ชนหน้าผากแตกข้างหน้ามันต้องมีวาโยธาต์เราดูวาโยธาต์ข้างหน้าของเราหลังจากนั้น ตวายุธาตุในที่นี้เราจะพูดว่าเป็นช่องว่างก็ได้แล้วเวลาเราเดินไปเนี่ยลมมันจะต้องแหวกออกแหวกออกเพื่อให้กายทั้งกายเนี่มันเคลื่อนออกไปได้ทีนี้เราจะรู้อย่างไรในกายต่พรรู้กายทั้งกายเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าเท้าของเราไอ้ไอร่างกายของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยอะไรเป็นฐานก็ด้วยเท้าสองข้างคือเท้าซ้ายและเท้าขวา นั้นจิตมันก็จะต้องรัดสติมันก็ต้องระลึกไปที่เท้าซ้ายระลึกไปที่เทาา้าขวาที่เตรียมการที่จะเดินทําทุกอย่างให้มันผ่อนคลายไม่จะเพ่งจนเกินไปจนแกรง็งไม่ใช่แล้วก็ก้าวเข้าไปการก้าวก็อาจจะใช้สติระลึกซอยรายละเอียดของก้าวหนึ่งก้าวเนี่ยอาจจะใช้สติระลึกซอยให้มันละเอียดลงไปเช่นว่า ถ้าเราถนัดซ้ายเราจะยกซ้ายก่อนเนี่ยมันจะรู้ระลึกลงไปที่ส้นเท้าที่ยกขึ้นก่อนพอระลึกไปที่ส้นเท้าที่ยกขึ้นก็รู้ส้นที่ยกขึ้นจากนั้นเท้าซ้ายมันก็จะก้าวไปก็ก็รู้คลอไปจนกระทั่งเท้าซ้ายวางลงเหยียบมันก็รู้ว่าเท้าซ้ายนั้นเหยียบลงแล้วก็ไประลึกที่ส้นฝาที่ยกขึ้นเท้าฝาที่ย่างไป เท้าวฝาที่เหยียบหลงเห็นไหมฮสติการทำพัญญะจะทํางานทุกๆ ก, กิริยาที่เท้ามันเคลื่อนไหวกายเราก็เคลื่อนแหวกาธาตุลมไปพอเคลื่อนไปเคลื่อนไปทั้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวาเคลื่อนไปจนกระทั่งสุดที่ทางสุดทางของการจงกรมของเราเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นยืนเรก็รู้ว่ายืนอีกอะ่ะยืนเราก็รู้ว่ายืน แล้วก็ให้มันเกิดการปล่อยวางผ่อนคลายนะผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็ไล่ากายรู้กายทั้งกายกายทางกายไล่าจากบนลงล่างก็จากศรีรษะลงไปถึงขวาเท้าจากขวาเท้าขึ้นไปถึงศรีรษะรู้กายทั้งกายแล้วก็รู้ยืนรู้ยืนแล้วรู้ว่ากายนี่มันยืนแล้วก็หยุดอยู่จากนั้นก็เตรียมรู้กิริยากิริยาคืออะไรกิริยาก็คือมันหมุนนะรู้เท้าที่หมุนหมุนหมุน หมุนหมุนจนได้ที่แล้วก็ไปหยุดยืนเตรียมจะเดินกลับมาอีกเตรียมจะเดินกลับมาอีกต่อไปก็รู้กายทางกายถ้าว่าถ้าว่ามันรู้ทันนะแต่ถ้ามันเผลอไปมั่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่ามันไม่เผลอก็รู้กายทางกายตอนยืนรู้กายทางกายเสร็จแล้วเตรียมตัวที่จะเดินก็แล้วก็ไปรู้กิริยายกส้นขึ้นก็รู้กิริยาที่ส้นยกขึ้นก็รู้กิริยาที่เท้ามันย่างไปก็รู้กิริยาที่เท้ามันเหยียบลงก็รู้ กิริยาที่ส้นมันยกขึ้นก็รู้กิริยาที่เท้ามันยกย่างไปก็รู้กิริยาที่เท้ามันเหยียบไปก็รู้อย่างนี้ไะจนสุดอีกเหมือนกันนะนี่คือเป็นการปฏิบัติในการเดินจงกรมในภาคเช้าของวันนี้แล้วพยายามอย่าให้มันแข่งอย่าให้มันแข่งและการวางเท้าก็เหมือนกันก้าวของเราแต่ละก้าวเนี่ยพยายาม ก้าวอย่าให้มันอย่าให้มันยาวมากหรืออย่าให้มันสั้นมากเดี๋ยวเอาเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์นะเอาตรงที่เราสบายสบายเอาตรงที่เราสบายอย่ามาโอกเรียนแบบอัตมานะเห็นอัตมาบางทีอัตมานี่เป็นคนอ้วนเรียกว่าอ้วนนะใครว่าอ้วนก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตกอกตกใจอะไรมันอ้วนจริงล แล้วนี้การวางเท้าการวางมือมันก็จะต้องเป็นที่สบายของอัตมาเองโยมจะมาลอกเรียนแบบว่าโอ้ยหลวงพ่อทําอย่างนี้เราเอาอย่างนี้ดีกว่ า, าบางทีไอแบบอย่างหลว ง, งพ่อเนี่ยมันไม่เป็นที่สบายไม่เป็นที่สบายยะของเรามันก็ใช้ไม่ได้นะฮะมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเดินจงกรมกันคิดว่าให้พวกเราเนี่ย ทำเวลาเพื่อชีวิตตัวเองในวันนี้นะหนึ่งชั่วโมงแรกเดินจงกร ม, มแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันมากนะแล้วก็อย่างที่บอกตั้งโทรศัพท์ไว้นะอย่าถืออย่าพกตั้งไว้เดี๋ยวจะมาจะมีไมลอยนี่ไงเนี่ยไมลอยเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดแล้วก็ใช้พูดในการบรรยายจะปิดไม่ตัวนี้พวกเราก็ ไม่จำเป็นจะต้องมาดูและฟังแต่เสียงก็พอพอกันเดินเดินทีนี้เวลาเดินนะ เ, เดี๋ยวค่อยพูดตอนเดินถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเนี่ยกาจะจะเริ่มตอนเก้าหมงครึ่งทนี้ก็เหลืออีกสองนาทีเอาละเตรียมการกัน